พวกเราส่วนมากถูกมันหลอกนะเวลาเราคิดเรื่องปฏิบัติเนี่ยเราคิดว่าต้องทําอะไรเราจะทําอะไรถึงจะถูกคิดอยู่อย่างนี้คิดว่าทํางไงจะถูกหายใจแบบไหนถึงจะถูกเดินแบบไหนถึงจะถูกนั่งยังไงถึงจะถูกจริงถ้าเดินอย่างมีสติก็ถูกนั่งอย่างมีสติก็ถูกกระทั่งนอนอย่างมีสติยังถูกเลย ตัวสำคัญไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของมันตั้งท่าตั้งทางอะไรพวกนี้นี่เป็นความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะบางคนถนัดเดินช้าๆก็เดินมันช้าๆเดินช้าแล้วสติเกิดบ่อยก็เดินช้าเดินเร็วแล้วสติเกิดบ่อยก็เดินเร็วตัวสำคัญอยู่ที่ความมีสติไม่ได้อยู่ที่กิริยาท่าทางไม่ได้อยู่ที่ฟอร์ม ถ้าเดินสวยแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานนะพวกวงโยธวาธิตนะี่ยมันบรรลุก่อนมันเดินสวยกว่าเราเยอะเลยนะหรือทหารเดินแถวเป็นระเบียบแล้วบรรลุบรรลุก่อนเราหรอกหรือเราชอบคิดนะต้องอย่างโน้นถึงจะดีต้องอย่างนี้ถึงจะดีถ้าไม่ต้องเห็นอะไรเลยคงจะดีเลยหรือไม่วันวันไม่ฟังอะไรเลยแล้วคงจะดีภาวนาลูกเดียวถ้าไม่เห็นแล้วดีบรรลุ ง, ง่ายนะคนตาบอดบรรลุ ก, ก่อน ถ้าไม่ฟังแล้วบรรลุง่ายคนหูหนวกก็บรุ ก, ก่อนคนถ้าพยายามปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้กระทบอารมณ์นะนี่คนพิการจะบรรลุ ก, ก่อนเราถ้าจริงเราเปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดลิ้นเปิดกายเปิดใจรับอารมณ์ไปตามธรรมชาติรับกระทบอารมณ์ตามธรรมชาติพอกระทบแล้วเนี่ยจิตหวันไหวยินดียินร้ายขึ้นมานะคอยรู้ทันไปเรื่อยๆหัดรู้ทันไป นี้จะรู้ทันได้ก็ต้องหัดรู้จักสภาวะบ่อยๆนะเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอันนึงใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปใครถนัดดูท้องพองยุบก็ดูไปนะใครถนัดอะไรก็เอาสักอันหนึง่งแต่เสร็จแล้วปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เอากรรมฐานเนี่ยมามัดจิตใจอยาวกรรมฐานมามัดใจให้นิ่งกรรมฐานมัดใจให้นิ่งก็เป็นได้แต่สมถะ ให้เราทํากรรมฐานอันนึงคล้ายๆทําเป็นแบ็กกราวด์ไว้หรือทําเป็นตัวจุดตั้งต้นไว้สมมุตินี่เป็นกรรมฐานอันนึ่งแล้วคอยสังเกตใจเราใจเราไหลไปหาอารมณ์กรรมฐานนี้เรารู้ทันใจหนีไปจากอารมณ์ันนี้เรารู้ทันใจแขวงไปแขวงมาเรารู้ทันแล้วมีตัวตั้งไว้ตัวหนึ่งก่อนเพื่อเราจะได้รู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่มีตัวตั้งไว้ก่อนเลยเนี่ยเคลื่อนไหวทั้งวันนะมันดูยากมันไม่มีเครื่องสังเกต งั้นใครถนัดทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปนะหลวงพ่อไม่ได้ว่าอะไรใครถนัดดูท้องพองยุบก็ไอ้ขวดเนี่แหละคือท้องพองยุบละดูท้องพองยุบไปจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทันจิตมันฟุ้งซ่านก็รู้ทันจิตมีปีติมีความสุขจิตสงบก็รู้ทันใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ไปนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตไปคิดเรื่องอื่นหลงไปเลยก็รู้ทันจิต ฟุง้งซานก็รู้ทันจิตสงบก็รู้ทันมีปีติมีความสุขก็รู้ทันนั้นเบื้องต้นทํากรรมฐานอันนึงขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นจุดตั้งต้นนะที่ยังง่ายๆถ้าไม่มีอะไรให้ตั้งต้นเลยเดี๋ยวว้าเวัยความจริงถ้าจะเล่นแบบโตแล้วเรียนรัดจริงๆนะไม่ต้องมีอะไรตั้งต้นเลยก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกไปเลยแต่ว่าถ้ายังหัดใหม่เนี่ยมันรู้สึกยาก รู้สึกแล้วไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าตอนนี้รู้หรือยังไม่รู้อะไรต้องหัดซ้อมบ้างหลวงพ่อแต่ก่อนตั้งแต่เจ็ดขวบนะัหลวงพ่อฝึกอานาปนสติฝึกจากท่านพ่อรีวัตอโศการามทําสมถะอยู่22่สิบสปีนะขึ้นมิปัสนาไม่เป็นขึ้นมิปัสนาไม่เป็นเพราะไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเคยศึกษาเรื่อง ให้ย้อนมารู้กายมารู้อะไรอย่างนี้นะใจมันไม่เอามันรู้สึกตื้นรู้สึกตื้นไปไม่ถูกกับใจเราไม่ถูกกับจริตนิสัยพอไปเจอหลวงปู่ดูลินท่านบอกให้ดูจิตรู้สึกน่าสนใจจิตเราลึกลับซับซ้อนนะวันวันึนนนงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เคยเหมือนกันสักวันหนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้สึกน่าสนใจให้ดูกายดูลมหายใจดูอะไรรู้สึกจืดจืดจิตสงบอย่างเดียว มันไม่ถูกกัจจริตนี่คนไหนถูกกัจจรลิตรรู้กายก็ได้นะรู้กายเห็นรูปมันหายใจไปเห็นรูปมันพองรูปมันยุบไปนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปใจของเราเป็นแค่คนดูใจลองเราเป็นแค่คนดูแล้วเราก็เห็นว่ารูปที่เคลื่อนไหวอยู่นี้รูปที่หยุดนิ่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอันนี้ต้องรู้สึกนะรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอารู้สึกกับคิดในคนละเรื่องเลย แล้วผลที่ได้ก็คนละเรื่องเลยให้รู้สึกเนี่ยรู้สึกไหมไอ้ตัวนี้มันกระดุกกระดิกเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมมันกระดุกกระดิกเนี่ยแต่ไม่ต้องแกล้งทานะอย่างนี้เดี๋ยวเวียนหัวเพราะมันกระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเดี๋ยวก็กลืนน้ำลายเดี๋ยวก็พลิบตาเดี๋ยวหันซ้ายหันขวานะเดี๋ยววางฟอร์มทำเป็นนิ่งๆให้รู้สึกอยู่ในกายเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอก เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดวันตลอดคืนถอดถอนความเป็นตัวเราออกไปเรื่องความมีสติถ้าเมื่อไหร่มีสตินะรู้ลงไปที่กายเห็นนะกายเป็นสักแต่ว่ารูปรู้ลงไปที่จิตก็ เ, เห็นจิตสักแต่เป็นนามธรรมนามธรรมไหลมาไหลไปเมื่นะหนุ่มนั้นไม่มีเบอรเออนะ์เมื่อกี้เห็นไหมเห็นคนเดินมานี่ใจเราลอยมาอยู่ที่เขา หัดดูอย่างเงี้ยใจมันจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานะให้คอยรู้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใจจะวิ่งไปทางทวารทั้ง6วิ่งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะวิ่งตลอดเวลาไม่ได้ฝึกให้นิ่งนะถ้าฝึกให้นิ่งคือฝึกสมถะถ้าวิปัสสนาเนี่ยฝึกให้เห็นความจริงเลยมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางใจสามช่องเนี่ยหลักๆไปทางใจมากที่สุด ทางตาไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปครั้งละขนาดจิตเดียวที่เหลือเป็นการทํางานทางใจเหลืออยู่ที่ใจทั้งนั้นเลยมันถ้าเรารู้ทันการทํางานที่ใจนะเราทํากรรมฐานได้เยอะมากนะ <c oughs> เป็นกรรมฐานที่เร็วเร็วเห็นสภาวะเกิดดับวับแป๊บ <c oughs> คุณสันติหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ย <c oughs> คุณเบอร์เก้าอ่ะ ตรงใจปฏิบัติทราบไหมให้รู้ทันลงไปนะให้รู้ทันใจของเราไปเบอร์เจนะ็เป็นไงเมื่อกี้ทำอะไรอยู่นึกออกไหมเห็นไหมเมื่อกี้เผลออยู่นะี่มันเป็นทำอะไรเราไม่เห็นเลยนะเมื่อไรที่จิตมันไหลไปนะมันไปรู้สิ่งต่างๆภายนอกส่วนมากจะรู้เรื่องสมมติบัญญัติทั้งหมดเลยรู้เรื่องราวที่คิดนะ่ะส่วนมาก มันจะลืมกายลืมใจเมื่อไรเราลืมกายลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสสนาแต่ถ้ารู้กายรู้ใจถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเพ่งกายเพ่งใจเป็นสมถะนะรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันเลยเพ่งนี่เกิดจะจงใจจะไปดูมันแล้วก็ตั้งอกตั้งใจดูจดจ่ออยู่ในการดูจ้องอยู่ลูกเดียวเลยใจก็เข้าไปแนบนิ่งๆอยู่กับอารมณ์ที่เราเพ่งก็ได้สมถะ เบอร์สามสิบสี่นีไปคิดทราบไหมเบอร์สามสิบสีพยายามดูเบอร์ของตัวเองก่อนนะพอหลวงพ่อเรียกว่าเบอร์อะไรก็บางทีนึกไม่ออกอยนะ <c oughs> หลวงพ่ออุตส่าห์ติดเบอร์เพื่อให้เรียกได้ไม่งั้นเวลาจะชี้ให้ดูสภาวะเนี่ยมันต้องแบบฉกเฉยเวลาเสี้ยววินาทีเลยนะเพราะสภาวะมันเกิดดับรวดเร็วมากเลยกว่าหลวงพ่อจะไอดีนติฟายตัวบุคคลได้สภาวะเปลี่ยนไป10รอบแล้วบอก อา้าวคุณผู้หญิงผมยาวยาวกันหลายคนนีเห็นไหมใส่แว่นตาอามีอีกหลายคนเห็นไหมแต่กว่าจะออกมาระบุว่าคือใครเนี่ยจิตเปลี่ยนไปหลายรอบและดูไม่ทันงั้นมีเบอร์ก็ให้หลวงพ่อเห็นบ้างหน้าเอาเบอร์ไปซุกไว้ใต้เสื่อก็มีนะบางคนก็วางกลับหัวเนี่ยไม่รู้เบอร์6หรือเบอร์9เอออย่างนี้เบอร์6นะบางคนก็พลิกไปพลิกมานะแต่อยู่ข้างหลังเขาช่วยไม่ได้จริงๆนะ มันบางกันไปบางกันมาไม่เห็นหรอกบางคนมาแบบใหม่มีป้ายชื่อมาเล ย, ยใหญ่ๆมีสองสามคนมป้ายชื่ออย่านึกว่าเรียนกรรมฐานเป็นเรื่องยากนะกรรมฐานคือการเรียนเรื่องตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจคือรูปกับ น, นามนี่เองเรียกว่ารูปนามแล้วฟังมันโก้ดีนะดูเป็นวิชาการดีภาษาไทยก็คือเรารู้กายรู้ใจของเรานี่เอง รู้สึกไหมความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นความทุกข์ไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจเท่านั้นเองแล้วเราเรียนรู้ไปเรื่อยนะรู้ไปวันหนึ่งปัญญามันแจ้งเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ของที่น่ารักน่าหวงแหนเลยร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะเดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นะเวลานอนกลางคืนเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยทั้งคืนเพราะมันทุกข์มันเมื่อย นั่งอยู่ก็ทุกข์ต้องขยับไปขยับมาเดินมากๆก็ทุกข์ยืนมากๆก็ทุกข์มีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยเรารู้สึกอยู่ในกายแล้วเห็นกายนี้ทุกข์ทั้งวันไม่ใช่ของน่ารักน่า ย, ยึดถืออะไรปัใจเราหมดความรักความห่วงใยในร่างกายนะใจไม่ยึดถือร่างกายเนี่ยร่างกายเป็นอะไรใจจะไม่ทุกข์ไปด้วยแล้วจิตใจจะค่อยสงบสันติยกตัวอย่างอย่างเวลาเราจะตาย คนทั่วไปจะรู้สึกว่าตัวดีกําลังจะตายและคนภาวนาจะรู้สึกตัวทุกกําลังจะแตกตัวทุกจะแตกแล้วไม่เสียใจอะไรละ่ะตัวทุกมันจะแตกก็ให้มันแตกไปใจจะไม่ทุรนทุรายนะจะตายอย่างสงาา่าผ่าเผยหรือเรามาดูจิตใจเราจะเห็นเลยความสุขของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวนี่เราดูไปทุกวันทุกวันใจมันรู้นะ มันจะเลิกบ้าความสุขนะเลิกสแสวงหาความสุขเลยมันรู้เลยวิ่งหาแทบตายได้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปอีกแล้วนะเหมือนวิ่งไล่จับเงาทั้งวันนะวิ่งหาความสุขแต่ครุบมาแป๊บหลุดมือไปละหนุ่มหนุ่มนึกออกไหมตอนไปจีบสาวที่แรกฮนะจีบตั้งนานใช่ไหมมาจีบสําเร็จมีความสุขเห็นไหมมีความสุขแต่เดี๋ยวเดีย ว, ยวโอ้มันไม่ตายสัทีนะมีความทุกอีกแล้วนะความสุขมันสั้นๆ น, นะสุขมันสั้นๆ สังเกตดูในชีวิตเราวิ่งหาความสุขตลอดเวลาเลยเราไม่รู้ความจริงว่าความสุขของชั่วคราวแล้วบางคนก็วิ่งหนีแต่ความทุกข์นะหนีความทุกข์ความทุกขอยู่ที่ตัวเองจะวิ่งหนีได้ยังไงความทุกข์อยู่กับกายกับใจตลอดเวลาจะวิ่งหนีได้ไงมันวิ่งหนีไม่ได้หรอกงั้นต้องกล้าหานนะหันมาดูความทุกข์อยู่ในใจเราเราใครรู้ไปถึงวันหนึ่งเรารู้เลยมันทุกข์เราคิดนั่นแหละคิดก็ทุกข์ขึ้นมานะ รู้เฉยๆไม่ทุกนะรู้กายรู้ใจรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาเป็นไม่ทุกหรอกมันทุกเพราะไปคิดเอานะเฝ้ารู้ไปในสุดเลยเห็นเลยความสุขความทุกเป็นของหลอกหลอกของหลอกหลอกของชั่วคราวใจมันจะเลิกดิน้นงั้นเราจะต้องดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกตลอดชีวิตนะตอนเราเด็กๆ เ, เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเรียนหนังสือจบแล้วเราคงมีความสุข ยังเป็นนักเรียนอยู่ยังพึ่งพ่อพึ่งแม่อยู่นะมันไม่อิสระเรียนจบแล้วเรามีงานมีการแล้วเราคงจะมีความสุขเรเรียนหนังสือจบนะได้ด็อกเตอร์ด้วยคงจะดีคงจะมีความสุขกว่านี้อีกเรียนจบแล้วแหมมีงานดีๆทำถ้าจะดีนะตได้งานทาแล้วถ้งเงินเดือนเยอะๆก็น่าจะดีกว่านี้อีกความอยากมันดักอยู่ข้างหน้าตลอดเลยให้วิ่งตลอดเลย เสร็จแล้วอยากได้ตําแหน่งใหญ่ๆนะได้ตําแหน่งใหญ่แล้วคงจะมีความสุขไม่เห็นมันมีใครมีความสุขเลยนะมีแต่ว่าถ้าได้อย่างนี้แล้วจะสุขถ้าได้อย่างนี้แล้วจะสุขถ้ามีผัวมีเมียสบายสวยๆนะแล้วคงมีความสุขความสบายอะไรก็สุขสบายประเดี๋ยวประดาวนะมีคนที่หนึ่งแล้วเออก็สุขนะสุขแวบๆนะเบื่อแล้วถ้าได้อสองคนคงจะมีความสุขกว่านี้อีกเสร็จแล้วถ้ามีลูกไร้จะมีความสุข ลูกเรียนหนังสือเก่งๆลูกทำงานเก่งๆมีความสุขมีแต่คาว่าท่าแล้วจะสุขท่าแล้วจะสุขพอแก่ๆนะนั่งอยู่เฉยๆก็เคล็ดนะเคล็ดขัดยอกอยู่เฉยๆก็ยอกได้นะกระดุกกระดิกนิดเดียวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดจะรู้สึกเลยวันไหนไม่เจ็บไม่ปวดนคงจะมีความสุขจนกระทั่งเจ็บหนักใกล้ตายนะทุรนทุรายหลวงพ่อเคยเห็นคนอยู่ในโรงพยาบาลเจ็บหนัก เอามือเขยา่าลูกกลองเตียงใหญ่เมื่อไหร่จะตายสัทีโว้ยเราก็อยากถามว่าทำไมอยากตายละโว้ยนะอยากจะได้พ้นทุกพ้นร้อนตายแล้วจะได้มีความสุขนะถ้าตายแล้วจะได้มีความสุขดูสิจนถึงวันตายยังหาความสุขไม่ได้เลยแต่เกียรต์ตะกายไปอย่างนั้นแหละตลอดชีวิตเลยนะแต่ถ้าเรามามีสติเรนะเห็นความสุขชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะกุศลอะ่ะกุศลใดๆทั้งปวงนั้นละ้วนแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลย เห็นเลยจิตใจนี่เปลี่ยนแปลงจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยที่สำคัญมันทำงานของมันเองด้วยมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราก็เลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะชั่วเราก็เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้นะจิตเนียถ้าเราสั่งได้เราก็สั่งให้มันดีเลยจงมีความสุขจงมีแต่ความดีจงอย่ามีกิเลสสั่งไม่ได้เนี่ยเราดูไปจนเราเห็นความจริงจิตใจนี้ทางานทั้งวันทั้งคืนนี่เขาไม่เที่ยง เพราะทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้จริงหรอกยกเว้นไปเพ่งไว้นะเพ่งไว้ทำสมาธิทำฌานมันก็อยู่ได้นานหน่อยพอออกจากฌานนะั้นมันก็แกว่งเหมือนเดิม น, นั่นแหละหรือแกว่งยิ่งกว่าเดิมอีกเพอะสงบมามากแล้วพอถอยออกมากระทบโลกนะร้ายกว่าเก่านะพวกที่ติดสมาธิเนี่ยอารมณ์จะฉุนเฉียวกว่าคนปกติซะอีกใครรู้สึกนะจิตใจทางานทั้งวันทั้งคืน จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยดูเข้าไปอย่างนี้จนเราเห็นความจริงจนใจยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงก็คือใจเรายอมรับธรรมะนั่นเองธรรมะคือตัวความจริงธรรมะมีสองส่วนนะรูปธรรมคือเรื่องของกายนี้ความจริงของกายนามธรรมเป็นเรื่องความจริงของจิตใจเรียนรู้ลงไปความจริงของร่างกายคือมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลเข้าไหลออกตลอดเวลา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 คนที่มาเรียนที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จํานวนไม่นับไม่ถูกแล้วนะภาวนาภาวนาเก่งๆใจตื่นขึ้นมาเยอะแยะเลยสติเกิดอัตโนมัติเยอะแยะเลยเนี่ยอย่างองนี่ภาวนาไม่นานนะวันนี้ภาวนามารายงานหลวงพ่อไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดเองนะกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนหลับยังรู้สึกเลยนะร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวามันรู้สึกอะ่ะ มันเห็นเลยไอ้ตัวนี้มันทํางานของมันเองนะทั้งกายทั้งใจรู้สึกได้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรฟังหลวงพ่อพูดจนจิตมันตื่นนะจิตมันตื่นมีสติ บ, อ บ, อ บ, อบอ่อยๆบ่อยๆเข้าไปพอมีสติขึ้นมาเราก็หลุดออกจากโลกของความคิดถ้าเราขาดสติเราก็จะหนีไปคิดโลกของความคิดไม่ใช่โลกของความจริงพอเรารู้สึกตัวขึ้นมารู้ว่าใจแอบไปคิดปุ๊บเราจะตื่นขึ้นมาเลยตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจขึ้นมา พอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้กายจะรู้ใจได้ละทันถ้าเราไปหลงอยู่ในความคิดความคิดจะปิดบังความจริงของกายของใจไว้ทั้งหมดเลยรู้สึกไหมหลายคนชักง่วงแนละ้วพยายามฝืนรู้สึกไหมพยายามฝืนพยายามเค้นใหญ่ต่อสู้กับความง่วงกลัวหลวงพ่อหันไปเห็นนะให้รู้ทันนะกินข้าวเยอะไปนะรู้ทันอ้าวองส่งกันบ้านเลยไมโครโฟนไปนไหนละอ่า มันจิตมันจะเป็นลักษณะว่ามันจะเดี๋ยวนี้มันแยกออกจากตัวรู้กับจิตมันตัวรู้กับตัวทุกมันแยกออกจากกันเห็นชัดเพราะว่าตั้งแต่โดนเลอออฟมานี่ก็เห็นความทุกชัดขึ้นเพราะมันพอทันทีที่เรารู้ว่าความทุกเข้ามาปั๊บเนี่ยก็ถอยออกมาดูนะคะก็ดีขึ้นตกงานแล้วดีเพราะว่ามีเวลาปฏิบัติเยอะขึ้นพอครนี้มันพอมันสั่นเราก็เห็นปั๊บ ปรากฏ ว, ว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเวลาปกติเวลาองค์เห็นจิตเกิดดับมันจะเป็นช่องๆแต่คราวเนี้ยเห็นเลยชัดเลยว่าจริ ง, รงๆแล้วตัวทุกข์อ่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวความคิดตัวนั้นมันอยู่ของมันอตัวทุกข์คือตัวจิตเวลาเกิดเนี่ยมันเหมือนมันหิวเหมือนหิวข้าวเลยเหมือนร่างกายหิวข้าวมันเหมือนหิวอารมณ์มันจะสั่นเพื่อที่จะขึ้นไปกระดกขึ้นไปกินตัวความคิดตัวอารมณ์แต่ว่าพอเราเห็นปั๊บ มันก็ดับใช่ไหมคะมันยังไม่ขึ้นไม่ถึงตัวอารมณ์มันดับก่อนแต่พอเราไม่ทันพอขึ้นไปปั๊บแล้วมันเสวยอารมณ์ปั๊บมันก็จะทุกข์บางทีก็ไม่ทุกข์บางทีเราตัวรู้พอตัวรู้มันถอยเนี่ยแม้แต่ว่าจิตไปเสวยอารมณ์จิตอารมณ์กับตัวรู้มันก็จะอยู่คนละที่กันเราก็จะเฉยเฉยแต่ว่ามันจะมีความเหนื่อยขึ้นมาเมื่อก่อนองค์เคยถามหลวงพ่อว่าองค์จับ เวลาองค์ดูจิตองค์จะเห็นตัวเองเหนื่อยหลายครั้งไม่เกิดไม่รู้เกิดจากอะไรตอนนี้องค์รู้แล้วว่ามันเกิดจากองค์คิดเกิดจากเวลาที่จิตมันไปสวยความคิดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องราวนะคะยังไม่ต้องถึงเรื่องราวตรงนั้นยังไปอีกสเต็ปหนึ่งพอขึ้นไปสวยความคิดปั๊บตรงนั้นเนี่ยจิตมันเหนื่อยเหมือนกับเหมือนกับร่างกายเราเวลาที่เรากินข้าวเข้าไปใหม่ๆแล้วเราร่างกายมันย่อยแล้วมันจะเหนื่อยเป็นแบบเดียวกันเสร็จแล้วพอเกิดอย่างนั้นปั๊บพอเห็นบ่อยๆปั๊บเนี่ย คราวนี้ตัวจิตมันเลยไม่เพเยไปหาความคิดแล้วมันนิ่งลงไปเลยนิ่งเรียบแล้วแต่ว่าโลกของความคิดหรือว่าโลกโลกของอะไรนั้นมันจะอยู่แยก<ม>ออกจากเร า, าไปอีกที่หนึ่งแล้วมันก็อยู่ของมันแต่ตัวเราจะนิ่งมากแล้วมันก็จะไม่ไอตัวทุกข์ที่เคยรู้สึกทุกข์ด้วยเนี่ยก็ยิ่งหายไปแล้วมันก็นิ่งแล้วเวลาหลับเนี่ยตอนนี้ยิ่งกับเดิมตรงเมื่อก่อนนี้เราจะรู้ว่าองค์จะรู้ว่าตอนเนี้ยคือฝันกําลังคิดแต่เดี๋ยวเนี้ยรู้กระทั่งว่า พอพอหลับใช่ไหมคะฝันก็รู้ว่าฝันแล้วก็รู้ด้วยว่าขณะที่ปกติเวลาคนเราฝันเนี่ยจะเหมือนจริงมากเลยเหมือนกับเราใช้ชีวิตปกติเพราะมันคิดแต่ตอนนั้นน่ะเราจะมองมีตัวหมองอีกตัวหนึ่งมารู้ว่าเออตัวนั้นกำลังฝันเสร็จแล้วพอรู้ว่าฝันปั๊บเนี่ยเขาจิตเขาจะรู้ว่าเวลาที่ไปฝันเนี่ยมันจะเหนื่อยอมันก็จะถอยกลับมาที่ลมหายใจออปับป๊บปับ๊บปั๊บสักพักหนึ่งมันก็จะนิ่งอไอตัวคิดตัวฝันตัวอะไรมันก็จะตัด ครั้นี้มันก็จะนอนได้น้อยลงไม่ต้องรีบไม่ต้องนอนเยอะ ham, ตื่นก็จะเช้าขึ้นเพราะว่าเพราะว่าความเหนื diving, ่อยจากการที่เราจะต้องเข้าไปหาความคิดมันน้อยลงและลักษณะการทํางานก็จะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้เราจะคิดเรื่องงานไปไหนก็คิดเรื่องงานตอนนี้คือโอเคนี่ไม่ใช่เวลาคิดเรื่องงานเพราะว่าเวลาคิดเรื่องงานคือตอนคิดตอนทํางานตอนนี้ตอนที่เหลือก็เลยกลายเป็นเวลาปฏิบัติหมดเลยมันก็และจิตมันก็จะมุ่งเข้าหาตัวสติตลอดเวลาขับรถ กินข้าวทุกอย่างเลยก็คือแบบอย่างเงี้ยตลอดเวลา ม, มันก็เลยเห็นไหมพอเราสติเกิดแนละตัวเราไม่มีหายไปเลยค่ะตัวเราจะหายไปหายไปแต่จะมีตัวดูอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ไกลๆ อ, อยู่ไกลๆแล้วก็ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเวลาที่ไม่ทันอะไรขึ้นมามันก็จะวิ่งปื๊ดกลับเข้าไปที่ลมหายใจสองสาครั้งแล้วมันก็จะกลับออกมาใหม่อ<ม>แล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วมันก็นิ่งเหมือนกับคือเมื่อก่อนจะแบบว่ากลับบ้านจะต้องอยากดูหนัง ออตอนนี้มันมันไม่อยากอะไรเลยแล้วมันก็ทุ ก, ก็สุข ก, ก็แค่นี้ค่ะ<ง>เหลนี้มันเหลือแค่นี้<ง>ก็เลยไม่รู้เอ๊ะตัวเรามันหายไปไหนหมดเลยเราไม่มีหายไปหมดเลยก็แบบแล้วเกือบจะตลอดเวลาที่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้มันเกิดจากการที่เรามีสติไปเห็นสภาวะสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวที่แสดงตัวขึ้นมาจะไม่มีตัวเราอยู่แล้วกระทั่งสภาวะของจิตที่ไปรู้ก็ไม่ใช่ตัวเรา แต่ว่านี้่ป็นเป็นการที่รู้ได้ด้วยสติไปะระลึกทีเดียอันทีละอันทีละขนะเมื่อไรเผลอตัวเราก็กลับมาอีกด้วยความเคยชินเนี่ยตรงนี้ต้องรอจนกระทั่งอริยมรรคเกิดนะนี่เข้าไปทําลายในส่วนลึกของเรามันจะทําลายลงไปแล้วจะไม่มีตัวเราขึ้นมาแล้วทั้งวันทั้งคืนไม่มีอีกเลย่ยที่เล่ามานี้แสดงว่ายังไม่ใช่พระโสุดาบัน สังเกตนะที่โยมโอ่งเล่าให้ฟังนะจิตมันจะหิวจิตมันจะหิวอารมณ์ตลอดเวลาจิตทุกคน่ะมันจะหิวอารมณ์เว้นแต่จิตพระอรหันต์เท่านั้นมันจะอยากอารมณ์ที่มันหิวก็6กันนะอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองคือรูปเสียงกลิ่นรสประทับพะธรรมอารมณ์เรื่องราวทั้งหลายจิตมันจะหิวตรงที่หิวก็คือมันมีตัณหานน่นิ่งพอมันมีตัณหามันจะกระโดดขึ้นมารู้สึกไหมจะกระโดดมาทํางาน ตรงที่จิตกระโดดขึ้นมาทำงานเรียกว่าสร้างพบทันทีที่ทางานความทุกข์จะเกิดรู้สึกไหมมีพบขึ้นมาก็มีความทุกข์ขึ้นมานี้พอเรามีสติขึ้นมาซ้อนขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันจะเห็นเลยความทุกข์ก็เป็นของภายนอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปดูเข้าชั่วขณะใจอยู่ต่างหากตรงที่ใจอยู่ต่างหากเนี่ยมันจะแยกเอาผู้รู้กับสิ่งถูกรู้ออกจากกันถึงตรงนี้ห้ามไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้ห้ามไปเพ่งใส่ ถ้เพ่งใส่ก็เป็นสมถะอีกอันหนึง่งจะเป็นอรูปฌานแล้วก็ดูไปตัวรู้ก็เกิดดับรู้สึกไหมตัวรู้ก็เกิดดับแต่ถ้าจงใจไปตั้งไว้ด้วยกำลังของสมาธิตัวรู้อยู่ได้เป็นกับๆเลยอยู่ได้นานงั้นเราอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้เราเฝ้ารู้จิตใจเขาทำงานไปนี่แหละจิตจะหิวจิตจะมีตัณหาตลอดเวลานะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกาย อยากคิดนึกปรุงแต่งทางใจมีตัหาผลักดันอยู่ตลอดเวลาคนทั่วไปไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนจิตทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนบางคนนอนหลับตื่นขึ้นมาเหนื่อยรู้สึกไหมตื่นขึ้นมาเหนื่อยเพราะจิตมันทำงานหนักอย่างที่องค์ว่าจิตมันไปทำงานเนื่นเราค่อยฝึกนะฝึกไม่ใช่เรื่องยากนะนี่ฝึกมาเท่าไหร่ไม่ถึงปีเลยเนี่ยมาเรียนที่นีเดินพิษภานะ ขยันดูดูไปเรื่อยๆเวลามาเล่าธรรมะนะบางทีมีพระท่านมานั่งฟังนะพระท่านแอบบอกหลวงพ่อฟังแล้วสั่นเลยนะแล้วสั่นคือสติมันอัตโนมัติไปหมดจิตก็ตั้งมั่นเป็นอัตโนมัติไปหมดก็เกิดปัญญาเห็นแต่ทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปหมดถึงจุดนี้มันก็รอเวลาที่มันแก่รอบมันเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งจิตไม่เคยรู้จักจิต เคยเรียนรู้แต่สิ่งผิดๆสิ่งที่เรียกว่าวิปลรราสความเพี้ยนเพียนจิตก็ชอบคิดว่าของไม่เที่ยงมันเที่ยงของเป็นทุกข์ว่ามันเป็นสุขของไม่ใช่ตัวเราก็ว่าเป็นตัวเรา <c oughs> ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่า ง, งามจิตมันวิปลรราสอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาสะสมแต่ความวิปลรราสะสะสมความบ้า น, นั่นเองสะสมความเห็นผิดมาตลอดความรู้สึกผิดๆมาตลอดการที่เรามีสติขึ้นมาเราเห็นความจริงเลย จิตใจนี้ทำงานไปร่างกายก็ทำงานไปทั้งกายทั้งใจไม่มีตัวเราตรงไหนเลยการที่เรามีสติขึ้นมาแล้วเห็นสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวนะความเป็นตัวเราดับลงชั่วขณะชั่วขณะที่มีสติเห็นสภาวะนั้นนิโรธหรือความดับตัวนี้เรียกว่าตะทังคาิโรธนะนิโรธชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวเนปะ็นเรียกตทาทังคนิโรธบางทีก็เรียกตทังคาิมุต แต่ถ้าเมื่อไรอริยะมรรคเกิดเนี่ยอันนี้จะเป็นสมุดเฉดล้วเป็นสมุดเฉดคือขาดแล้วขาดเลยไม่ใช่ขาดแล้วโผลอเป็นคลาวๆนั้นหมายถึงจิตเนี่ยมันถอดถอนเอาความเห็นผิดหมดสิ้นไปเลยนะไม่กลับมาหลงผิดอีกแล้วไม่ว่าจะมีสติหรือขาดสติความเป็นตัวตนก็ไม่มีหรอกไม่มีไม่ใช่พอเผลอๆแล้วมีตัวตนขึ้นมาอีกแต่เสร็จแล้วถึงจะถอดถอนเอาความเห็นผิดไปแล้วเนี่ยนะความยึดถือยังอยู่อีก เห็รรนไหมทำาหหลายชั้นนะจิตใจของเราเนี่ยสะสมแต่ของที่ผิดผิดมาเต็มไปหมดเลยจนละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้แล้วก็ยังยึดถือกายยึดถือใจอยู่อีกงั้นพระโสดาบันเนี่ยจะคล้ายๆ ค, ย ค, ย ค, ย ค, ยคนขี้งกนะรู้แล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นของโลกไม่ใช่ของเรายืมเข้ามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่คืนยืมแล้วยืมเลยยืมแล้วหวงไว้ไม่ยอมคืนหวงนี่เราก็มารู้กายมารู้ใจซ้ําแล้วซ้ําอีกลงไปอีกนะจนปัญญามันแตกฉานขึ้นมาจริงๆ แก่กล้าจริงๆเนี่ยทั้งกายทั้งใจที่เราไปยึดไว้นี่ทุกข์ล้วนๆนะทั้งกายทั้งใจเป็นทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เรานึกมาแต่แรกหรอกพวกเรารู้สึกไหมกายเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างจิตเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างเราเห็นได้แค่นี้เองมันถึงปล่อยวางไม่ได้เมื่อยังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างมันจะวิ่งหาความทุกข์ไปเรื่อยๆวิ่งหนีความไอวิ่งวิ่งหาความสุขไปเรื่อยวิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆมันวางไม่ได้หรอก แต่ถ้าสติปัญญายแก่รอบจริงๆนะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะเห็นอย่างนี้เรียกว่า ร, รู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์นั่นแหละรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ก็คือละอวิชาได้ น, นั่นเองพอเห็นขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะไม่ยึดขันห้าพอจิตไม่ยึดขันห้าตัณหาจะไม่เกิดเนี่ยไอความหิวจะไม่เกิดอีกละความหิวมันเกิดเพราะว่าเราไปสําคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเรายึดถือไว้เราก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์ พอปัญญาแก่รอบในกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆนะเนี่ยเห็นทุกข์แล้วเห็นขันเป็นทุกข์เรียกว่าทุกข์ขัดเห็นขันเป็นทุกข์ทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองไม่ใช่ทุกข์เพราะผิดหวังนะมันทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองเพราะมันเป็นขันนั่นแหละมันจึงทุกข์ธรรมะนี้พวกเราเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงคนที่เห็นกายเป็นทุกข์จริงๆก็คือพระนาคามีนะเห็นจิตเป็นทุกข์จริงๆคือพระอรหันต์ พวกเรายัางไม่เห็นเราแค่เห็นว่ากายกระจนี้ถ้ามีสติขึ้นมาก็ไม่เป็นตัวเราเห็นเท่านี้ไปก่อนนี่เป็นต้นทางของมันวันหนึ่งใจยอมรับความจริงไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ยังยึดไว้ยึดไว้เพราะอะไรเพราะคิดว่าเป็นของดีของวิเศษตามรู้กายตามรู้ใจมากเข้ามากเข้าเห็นลนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆนะพอปล่อยวางความยึดถือกายปับ๊บมันก็คือปล่อยวางความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกาย ตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละคือกายพอเราไม่ยึดถือในตาเราก็จะไม่ยึดถือในรูปไม่ยึดถือในหูก็ไม่ยึดถือในเสียงรูปจะสวยใจก็ไม่หลงยินดีรูปจะไม่สวยใจก็ไม่ยินร้ายแต่ทั้งตายังไม่ยึดเลยที่ไปยึดรูปอะไรกามและปฏิฆาก็ขาดลงตรงนั้นเองงั้นพอถึงจุดหนึ่งภาวนาไปถึงจุดนะกามและปฏิฆาขาดเนี่ยเพราะว่าไม่ยึดถือในกายนี้ละ จิตจะไม่เวียนสู่กามาวาจรอีกแล้วต่อไปการปฏิบัติมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตอันเดียวเลยครับนี้เพราะอันอื่นปล่อยหมดแล้วเหลือจิตอันเดียวไม่ปล่อยเราจะรู้สึกว่าจิตคือตัวเราจิตคือเรารับยึดไว้นะยึดว่าเป็นตัวเรารู้อยู่ว่าไม่ใช่เราหรอกแต่ว่ายึดเอาไว้ไม่คืนทุกเช้านะพอตื่นนอนปับ๊บสิ่งแรกที่ทํานะก็คือมีมือลึกลับอันหนึ่งหยิบชฉวยจิตขึ้นมาฉับพลันเลยดูออกไหมยิ่มีมือลึกลับหยิบชฉวยจิตขึ้นมาเอามาดูอยู่อย่างเงี้ย ศึกษาค้นคว้าอยู่เนี่ยนะเพื่อหาทางออกจากทุกข์นะจิตจะทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมันแจ้งขึ้นมาตัวจิตนี้ตัวทุกข์ล้วนๆนะเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเนี้ยคราวนี้ถึงจะสลัดคืนจิตให้โลกเขาได้นะการสลัดคืนเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะไม่มีอะไรที่จะยึดจะเกาะ อ, อีกลนะจิตจะมีอิสรภาพที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองนะเราจะมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะมีความสุขล้วนๆเลยคราวนี้ย จิตจะมีสภาวะสองย่างหนึ่งมีความสุขกับมีอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขนะความสุขที่ประณีตเนี่ยไม่บือหวานยังจิตจะมีแต่สมนัตกับอุเบกขาเวลาอยู่คนเดียวนะอยู่กับความสมนัตมีความสุขความสบายเวลาต้องมายุ่งกับโลกเอาธาตุเอาขันมาทำงานใจเป็นอุเบกขานะทำงานไปอย่างนั้นเองไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรด้วยนั้นธรรมะไม่ใช่เรื่องยากนะ ให้ค่อยๆฝึกไปฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆจนสติมันเกิดสติมันเกิดมันจะรู้กายรู้ใจได้ถ้าสติไม่เกิดมันจะรู้แต่เรื่องราวที่คิดัน้นส ม, สมมุติบัญญัตินันะปิดบางปรมัติคือปิดบางกายใจตัวจริงเอาไว้จนหมดนั้นค่อยรู้สึกนะใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลแล้วไปคิดเรารู้นะเนี่ยโยมเบอร์หกใจไหลไปคิดแล้ ว, นะ 6, ใ, หลลวให้รู้ทันคุณสันติก็ไปเหมือนกันรู้สึกไหม มันอยากรู้สึกไหมมันอยากรู้เรื่องมันก็เลยเข้าไปคิดเห็นไหมมีความอยากขึ้นก็เลยเกิดการทํางานทางใจขึ้นนี่ให้รู้ทันนะนี่คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองแต่เป็นปฏิจจสมุปบาทท่อนปลายเราจะเห็นเลยมันกระทบอารมณ์มันมีความอยากขึ้นมานะใจก็เกิดการทํางานสร้างภพขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะเห็นท่อนนี้ก่อนจนกระทั่งเต็มภูมิของพระนาคามีนะยัเห็นในท่อนนี้อยู่ ถานาคามีเนี่ยจะมีปัญญารู้เลยถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตจะไม่ทุกข์จิตอยากจิตยึดจิตจะทุกข์งั้นความอยากความยึดอะไรต่ออะไรนี่ไม่ปลุงขึ้นมาแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าแอบไปยึดความไม่ยึดอะไรไว้ไปยึดเอาจิตเอาใจไว้ไม่ยอมยึดอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ไปยึดเอาจิตไว้ตอบเมื่อปัญญาเห็นแจ้งนะจิตนี้เป็นตัวทุกข์นะถึงจะวางพวกเราค่อยๆสังเกตตนเองนะสังเกตไป รู้สึกไหมต้องยอมรับความจริงนะรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมแต่ถ้าเป็นพระนาคามีแท้ๆน่าจะรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์มากกับเป็นทุกข์น้อยไม่ใช่เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะแล้วรู้สึกไหมจิตใจเป็นตัวทุกข์องค์ยังไม่เห็นตัวนี้ที่จิตเป็นตัวทุกข์มันจะเห็นว่าจิตไม่ทุกข์จะเห็นว่าจิตเป็นตัวไม่ทุกข์สิ่งอื่นนอกจากจิตเป็นตัวทุกข์ อย่าเห็นอย่างนี้ค่อยๆเรียนนะอดทนนะฟังหลวงพ่อพูดเหมือนว่ายากแสนยากนะตั้งใจฟังค่อยๆสังเกตไปนะใช้เวลาไม่มากใช้เวลาไม่มากในการเข้าใจตัวเองที่มันใช้เวลามากก็เพราะคิดมากเมื่อไรไปหลงอยู่ในความคิดเมื่อนั้นไม่ได้รู้กายรู้ใจก็ขาดทุนไปแล้วตายฟรีไปแล้วตอนนั้นมีชีวิตที่ประมาทสูญเปล่าไปแล้วตูเป็นไงบ้างตู ก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนมันไม่เข้าถึงฐานจิตฐานใจค่ะหลวงพ่อมั น, ม, นมันไปรู้แต่ข้างนอกอนเออดีที่รู้ทันนะใจมันไม่ถึงฐานแล้วก็ ร, รู้ทันเนี่ยเพราะเราทําสมาธิไม่เป็นถ้าทําสมถะเป็นถึงจุดนี้ทําสมถะจิตก็รวมเข้าถึงฐานมันถอยออกมานะจิตตั้งมั่นอั น, นี้ไม่ถึงไม่ถึงสําหรับพวกวิปัสสนาญาณิกเนี่ยจิตไม่ถึงฐานให้รู้ว่าไม่ถึงฐาน อยากให้ถึงฐานรู้ว่าอยากให้ถึงฐานถ้าเมื่อไรรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันเข้าถึงฐานเองแต่ต้องรู้ถูกต้องนะส่วนมากชอบไปรู้นอกฐานชอบไปรู้อยู่นอกๆอยเงี้ยเหมือนโดนัดนะตรงกลางกลวงๆแลวนะ้วไม่ยอมดูนะไปดูขอบๆนี่นักปฏิบัติแบบนี้เยอะมากเลยแบบนี้เยอะเลยพวกที่ไม่ ท, มทาําสมถะจะรู้อยู่นอกๆขอบๆเนี่ไม่ไปไกลนะอยู่ทางเนี้ยบางทีก็นิ่งอยู่ข้างนอกยเงี้ยบางทีก็สายอยู่ข้างนอก มีอยู่กันให้รู้ทันว่ามันไปข้างนอกจูนน่ะมันมีบางช่วงขนาดจะมีความรู้สึกเหมือนจิตมีโมหะดูออกไหมมีโมหะจิตมีโมหะหรือว่ามีโมหะอ่ะส่งต่อนุชรัตอ๋อหลงครับพอดจิตฟุ้งซ่านดูออกไหมกําลังจะหาเรื่องคุยแล้วใช่ค่ะดูออกไหมอ่ะส่งต่อใช้ได้ละอ่ะไปทางนี้ส่งแล้วนี่ อา้าวแหมอยากพูดเอา้าพูดไปธรรมดาพวกอยากพูดจะไม่ค่อยให้พูดนะ่ะเพรพวกนี้พูดมากดูเจก่อนนะก็ <c oughs> <c oughs> ค, คือว่าว่ามีอยู่วันหนึ่งนะคะพนีนั่งสมาธิแล้ววีดีมันเหมือนกับมันจิตมันจะระเบิดออกมานะคะหลวงอาแต่ว่ามันก็มันก็เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วก็ดูไปกลัว<อ>มันทําไมให้มันระเบิดไปตายก็ตายสิมันขึ้นมาเอค่ะก็ดูให้มธรรมดามันก็เลยมันเหมือนมันทะลุไม่ออกนะคะหลวงอามันเหมือนลองไปถามหลวงพี่อ้าดู มนพี่อาจจะระเบิดเรื่อยๆม่เป็นสมถะหรือเปล่าคะหลวงอาไม่บอกหรอกอ่ะส่งไปทางนี้ส่งต่อคนนี้เขาอยากได้ไมค์เพราะว่ า, าปฏิบัติกัรหลวงพ่อตั้งแต่กัญญาค่ะก็พฤศจิกาก็สามเดือนพอดีทีนี้เวลานั่งเนี่ยบางทีจะใช้อนาปนานสตินั่งไปสักพักเดียวหนู หนูจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเป็นผู้ชายเดินผ่านไปคือหนูก็จะดูเฉยๆก็จะมีเหมือนคนคนนึงยืนอยู่ข้างหน้าหนูแต่ว่าหนูก็เลยเงยขึ้นไปดูเขาแล้วเขาก็หันลงมาดูหนูหนูก็เลยตกใจอืในช่วงที่ตกใจอ่ะหนูก็ไปเห็นใจอ่ะคะ่ะที่มันตกใจเห็นไหมเห็นเออดีเหมือนเหมือนดอกผักบุกที่มันใช่มันจะออมันจะหุบเข้ามาออใช่แล้วพอ หมดตกใจมันก็กลัวไอ้ความกลัวหนูก็เห็นเป็นเหมือนตาน้นาที่มันบุออแล้วมันก็เป็นวงเอ อ, งอย่างนั้นเลแล้วหนูก็ยังกลัวอยู่ก็เลิกนั่งก็อย่าไปนั่งสิ <c oughs> กรรมาฐานไม่จชเป็น <c oughs> ต้องไปนั่งหลับตาเนี่ยถ้ <c oughs> นั่งแล้วมันเห็นนะเราก็ลืมตาอยู่อย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนออกข้างนอกนี่แล้วหลวงพ่อบอกว่าต้องให้เราคือให้จจตมันปรุงแต่งให้เสร็จค่อยรู้ ทีนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูตามรู้มันติดติดมันก็คือเรื่องเดียวกันพอมันดับมันก็ขึ้นดับดับคืออยากคิดอยู่ก็เลยแล้วมันก็ไปพอจิตมันกําลังปรุงแต่งมันกุกกุกกุกกกกกหนูก็เลยไปตามรูไอ้ตรงนั้นนะคะอมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเวลาเราเอาแก้วความลงไปแล้วแมงสาบมันอยู่ข้างในมันก็วิ่งตุ้นตุ้หนูก็ดูอีกมัน แป๊บนึงมันก็หายไปแล้วบางทีเวลาตามรู้จิตไปเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะมันจะมีบางช่วงที่มันไม่มีความคิดเข้ามาหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละมันคิดเรียบร้อยแล้วมันคิดว่าจะทำยังไง <c oughs> ก็ลองไปหาลองไป <c oughs> ไม่ต้องไปหานะอยู่ไม่ก็ ค, คิดหรอกแล้วอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ใช่อะค่ะก็บางทีหนูเจอรู้ด้วยว่า เพื่อนคนนี้กำลังกรธอะไอ้ความกรธอะมันเป็นลูกๆแล้วมันมันพุ่งมาใสใช่แล้วบางทีก็จะรู้ว่าคนข้างๆเนี่ยมันจะเหมือนมีกระแสออมันมีจริงๆทุกคนเลยนะปล่อยพลังงานออกมาตลอดเวลาถ้าเราจับพลังงานตัวนั้นได้แปลได้นะก็จะรู้ว่าเขาคิดเรื่องอะไรแล้วทั้งหมดนี่ คือเดือนครึ่งที่หนูปฏิบัติแล้วมันแล้วอีกหนึ่งเดือนก็คือมันกลายเป็นอยากที่จะรู้พวกนี้หนูก็เลยไม่รู้เลยทีให้รู้ความอยากสิอย่าไป<ก>ไม่รู้รเลยบ้างแต่มันก็จะไม่เหมือนแต่ว่าตัวสำคัญเนี่ยนะนนต้องทำความรู้สึกตัวให้เข้มข้นกว่านี้อีกนิดนึงใจฟุ้งเรื่อนลอยไปนิดหนึ่ง<อ>ทำวความรู้สึกให้แรงแรงขึ้นนิดหนึ่งแล้วพออีกครึ่งเดือนไปกลับ หลวงพ่อที่สารานุชินก็ถึงได้รู้สึกว่าเออที่รู้มันดีขึ้นนะคะเพราะว่าเนั่งๆฟังอยู่เนี่ยคิดคือแต่ละอารมณ์ที่มันอยู่ข้างในก็ตามรูไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีอารมณ์หนึ่งหนักๆแน่นๆอยู่ในใจอ่ะทีแรกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็จะคิดก่อนว่ามันคืออะไรแล้วพอบรูปปึ๊บมาจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกเลยอะ่ะ มันหายไปเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นความสุขขึ้นมาเลยอ่ะมันจะเบาอยู่สักพักหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออทํามาตั้งแบบดีนะภาวนาไปมันก็รู้แต่ถ้าต้องรู้สึกตัวให้ให้เข้มแข็งกว่านี้นิดนึงแล้วทํายังไงจะให้เข้มแข็งอีกรู้สึกไหมใจเราลอยๆอยู่นิดนึงจริงๆก็คือมันขาดกําลังหนุนของสมถะสมถะที่เป็นสมาสมาธินะ ใจไม่ตั้งมั่นมันสมถะที่มันเกิดมันจะเป็นมิจฉาสมาธิใจมันจะเบาๆลอยๆมันจะออกรู้ออกเห็นภายนอกการไปรู้ไปเห็นสิ่งภายนอกนะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นจิตคนอื่นอะไรพวกนี้เป็นของง่ายแต่การจะไม่เห็นน่ะเป็นของยากคือลงมันออกรู้ออกเห็นแล้วจะเลิกนี่ยากนะหลวงพ่อแต่ก่อนนะยังเป็นโยมอยู่ก็สอนพักพวกอยู่นะทำกรรมฐานกัน เวลาพักพวกเขาไปทําบุญนะเขามีการอุทิศส่วนบุญมาให้เราอีกนะเราไม่ใช่ผีซะหน่อย <c oughs> อุดทิศส่วนบุญมาให้นะจุกเลยนะบุญมาเป็นก้อนหน่อยเบลอเลยอึ้ให้แหมเหมือนเอาสุงมากระทุ้งเราเ <c oughs> สร็จแล้วไปโอดครวนกับหลวงปู่เทศนะหลวงปู่ผมจะแย่แล้วใครมันทําอะไรนะั่นไปรู้หมดอนะหลวงปู่จะผมจะทํำยังไงดีนึกว่าท่านจะบอกวิธีแก้ให้บอกจิตมันไม่แก่กล้ามันก็เป็นอย่างนี้แหละ โอ้โหฝึกกันนานนะกว่าเราจะตัดการกระทบได้ใช่เพราะว่าเริ่มเหตุเพราะเริ่มรู้สึกว่าผีมาทุกวันพระแล้วว่ะค่ะจริงๆไม่ได้ผีมันไม่ได้มาทุกวันพระหรอกอ จ, รจริงๆผีมันมาทุกวันเลยนะี่วันพระเนี่ยเราก็สำคัญมั่นหมายมากหน่อยว่าผีจะมา ผีมันคงไม่ได้ดูปฏิทินหรอกนะต้องย้่าไม่สนใจนะเวลาจะผ่านจุดนี้ไปนะต้องอิกนอไปเลยอย่าไปใส่ใจกับมันกลัวทุกทีให้ดูกิเลสของเราอย่าไปดูผีให้ดูที่กิเลสเพอาะผีมา <c oughs> <c oughs> เห็นใจกลัวผียังไม่ทันมาเลยกังวลว่าผีจะมารู้ว่ากังวลนดูที่ใจเราลูกเดียวต อ, ตอนมาก็นอนกลัวอยู่ก็จําหลวงพ่อได้ว่า ต้องไม่กลัวก็เลยไปรู้ที่ไม่กลัวพอรู้ไม่กลัวก็ลืมตาได้เออนะไปกลัวมันทําไมมันต้องกลัวเราสิตัวเราแข็งกว่ามันนะชกกันต้องชนะนะอา้อาวอ้าวตรงต่อไปอน้ำมาสการเดี๋ยวนะแ ป, ป๊บหนึ่งใจลอยแล้วอา้าวว่าไงน้นำมาสการหลวงพ่อค่ะก็มาครั้งนี้มาพบหลวงพ่อเป็นครั้งที่สองนะคะ ก็แต่แตกต่างกับครั้งแรกที่มาค่ะครั้งนี้ก็เหมือนตั้งใจมาเป็นผู้เรียนโดยที่ว่าครั้งแรกที่มาพบหลวงพอ่อได้รับหนังสือไปแล้วได้ซีดีไปก็ได้อ่านของหลวงปู่ดูลบ้างของหลวงพ่อบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเราทําไมไม่รู้อะไรกระจ่างเลยท่านเพียงแต่บอกว่าให้เราดูแล้วก็รู้ดูแล้วรู้ มันเหมือนกับว่าไปทำแล้วก็จิตมันหรือว่าที่เรารู้อะไรเนี่ยมันไม่ได้ดับมันเหมือนกับมันมีผู้ทำทำให้ดับคร <ancestors, S 2> าวนี้พอมาม า, มาไดมาไดอ่านหนังสือแล้วลองไปดูตัวจริงที่ข้างในนะะ <urb> ก็เลยเข้าใจว่ามันดับเองจริงไม่มีผู้ที่ไปทำให้ดับแล้วเวลาเกิดก็เกิดเองจริงๆไม่มีผู้ทำให้เกิดแล้วก็ไม่มีผู้กาหนดให้เกิดด้วยก็ตามรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะตามคราวนี้ มาครั้งนี้เหมือนกับว่าจะให้น้องชายมาแต่มีอะไรติดค้างอยู่ในใจเหมือนเองเราก็รู้เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนที่เขา อ, อุปโลกให้ยศอย่างเงี้ยนะคะค่ะ <c oughs> ก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนเราพอจะรู้เองได้ละมั้งเนี่ยคราวนี้พอพาน้องชายมาพอมาพบท่านก่อนจะมานี่ก็เหมือนกับว่ามีนิมิตของท่านพอนึกเข้าไปข้างในเหมือนจะเห็นรูปท่านอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยคะแล้ววันที่มาวันแรกก็ก็เห็นหลายครั้ง พอเริ่มนั่งสมาธิก็เริ่มดูไปเรื่อยๆนี่ก็จะเห็นว่าความคิดของตัวเองผิดที่ว่าตั้งใจหมานี่ผิดคิดว่าตัวเองมาเป็นผู้เรียนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็เริ่มวางความคิดใหม่หมาเป็นผู้ดูเอามาเป็นผู้เรียนมาเป็นผู้ศึกษาใหม่ก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆเมื่อวานนี้ขณะที่ขึ้นรถกระทบกับความเย็นปุ๊บ ก, ก็รู้เย็น รู้เย็นปุ๊บเป็นรู้กลิ่นก็รู้กลิ่นรู้กลิ่นปุ๊บไปรู้ที่ตาก็รู้ตามปุ๊บดับลงก็รู้ว่าอ๋อนี่เวทนาเกิดทางตา่ยฮะดีแล้วก็ตามรู้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็สังเกตว่ามีขัดใจก็รู้ขัดใจมีหนักเกิดขึ้นมีบีบคั้นในความรู้สึกก็รู้ไปเรื่อยๆดีแล้วดีและนะตัวไปทั้งหมดนั้นไม่มีตัวเราหมอก็รู้อยู่เรื่อยๆครับ ดีแต่ใจไม่ตั้งมั่นไอ้รู้นะ่ะรู้นะมีสติแต่สมาธิไม่พอดว อ, อกไหมครับใจไม่ตั้งมั่นพอรู้ไปเรื่อยๆไปส่งมาที่นี้คุณสุคนธมานส่งกันบ้านหน่อยได้ข่าวว่าไม่สบายจิต เ, เป็นไงช่วงที่ไม่สบายหรือแม้แต่ช่วงนี้เนี่ยก็ยังรู้สึกกังวลค่ะ ทั่วไปเนี่ยคือ ม, มีมีความรู้สึกได้บ้างเรารู้สึกได้ได้มากขึ้นแต่ว่าเหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกน้องคนโน้นว่าไม่ตั้งมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสงสัยว่าสงสัยก็เลยคิดว่าน่าจะต้องฝึกสมถะให้ให้มากขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทางใครทางมันไม่เหมือนกันนะ เราจะาาไปเรียนแบบคนอื่นเพราะว่าเหมือนเหมือนเห็นก็ไม่ค่อยชัดนะคะไม่เป็นไรเห็นไม่ชัดรู้ว่าเห็นไม่ชัดอยากเห็นให้ชัดรู้ว่าอยากเห็นให้ชัดของคุณสุขธรมานไม่ต้องไปเพ่งขึ้นมาเดี๋ยวไปติด ค, คุณมันเจิดใจซึมๆไปดูออกไหมจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะเบอร์เจ็ดสิบสาม เห็นไหมคนถัดมาเริ่มกลัวแล้วกลัวรู้ว่ากลัวน ะ, ะกลัวช่วงนี้รู้สึกว่าใจข้างในสงบมากขึ้นเจ้าค่ะเราชินีรู้ชัดขึ้นเจ้าค่ะดีแล้วนะถูกต้องแล้วไปส่งต่อไปเรื่อยๆคนไหนกลัวจะผ่านก็ได้นะไม่บังคับ ก็หนูก็เพิ่งเริ่มหัดตามรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดอารมณ์แรงๆอย่างตะ ก, กี้อย่างเช่นขับรถมาแล้วมันแบบแล้วบรรทุกมีดขินมากระทบกระจกแล้วรู้สึกเฮ้ยเราโกรธหรือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาใช้ชีวิตปกติเงี้ยบางทีก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราคิดว่าเรารู้หรือเรารู้จริงๆอะไรเงรี้ยถ้าไม่แน่ใจรู้ไม่แน่ใจไปรู้ปัจจุบันเนี่ยพวกเราจะเหมือนๆกันเยอะเลยพอรู้สึกขึ้นมาแล้วก็เกิดสงสัยเอ๊ยนี่รู้หรื อ, อยังไม่รู้นะรู้ถูกไม่ถูกนะ ให้รู้ฐานว่าสงสัยไปเลยถ้าเมื่อไรสติรู้ปัจจุบันอารมณ์ถูกต้องนะก็ถูกเมื่อนั้นแหละมันง่ายขนาดนั้นคือคราวที่แล้วที่มาครั้งแรกอะค่ะพระอาจารย์ติงว่าติดนิ่งไป น, นิดนึงอะค่ะเหมือนกับจิตมีอะไรที่นิ่งแล้วก็เป็นส่วนเกินอพอกลับไปก็หายค่ะก็คือไม่ได้ติดนิ่งแล้วแต่มีความรู้สึกว่าก็ตามรู้เรื่อยๆแต่ว่า ระหว่างวันมันก็ยังมีเผลอเยอะอะทีสิเผลอนานหรือเผล่บ่อยเผล่บ่อยอะค่ะเผล่บ่อยดีคิดว่าเผล่บ่อยยิ่งบ่อยยิ่งดีนะค่ะแล้วก็คือไม่แน่ใจว่ามาจากที่ว่าทําสมถะในรูปแบบน้อยเกินไปด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะสติเกิดบ่อยก็จะเผลอบ่อยยิ่งเผล่บ่อยแสดงว่าสติเกิดบ่อยเพราะอะไรคนทั่วๆไปนะมันเผล่วันละครั้งเพราะไม่มีสติเลย เผตั้งแต่ตื่นจนหลับนะยังไม่เคยรู้สึกตัวแต่มัน<ล>ะ<ต>จะรู้สึกว่ามันเห็นจิตเนี่ยทางานแล้วคิดตลอดเวลาเออเ น, นั่นหนะแหละสติมันเกิดบ่อย<ะ>งั้นจะเผลอบ่อยนะเห็นพอรู้สึกตัวแว บ, บเดียวเคยหยับไปทํางานอีกแล้วรู้ทันขึ้นไปอีกนะก็หยุดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ทํางานอีกทุกครั้งที่รู้ทันนะั้นน่ะมีสติทีหนึง<ะ>สติก็จะเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นชีวิตเราจะถูกตัดตอนเป็นช่องเล็กๆหรือช่วงเล็กๆลงจะรู้สึกเลยว่าอารมณ์ที่แกว่งเนี่ยค่ะ จะแคบลงแคบลงใช่ช่วงมันจะแคบลงเรื่อยๆค่ะแล้วก็ยเวลาเราเห็นคนอื่นเนี่ยที่เขาโกรธขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยแทนเขาอ่ะว่าเห็นเขาจิตเขาต้องทํางานแบบพปรี้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเหนื่อยแทนเ้าหน้าเเดี๋ยวรู้สึกว่ากูเก่งกว่าเขาไม่ไม่ได้ว่าเหนื่อยไม่ได้ว่าว่าเราเก่งกว่าเขาแต่มือว่าเออแบบเห็นแล้วเออรู้สึกเลยว่าจิตมันจะทํางานอง่ายหักดังตรีนดังตรีนใครไม่เคยเจอดังตรินบ้าง ไม่ไม่ใช่คนที่เดินหนีไปโน่นนะก็คือให้ตามรู้อย่างนี้ไปเรื <to> <cartoon> ่อยๆใช่ใช่ดีแล้วส่งตอบไปหนูเพิ่งมาคราวนี้ครั้งแรกตามน้องสาวมาค่ะแต่ก็ฟังเอ3พทของลูกพ่ออะค่ะแล้วก็ตอนแรกๆที่ฝึกเนี่ยคือจะเห็นว่าโกรธโกรธนี่จะเห็นชัดแต่ตอนหลังๆบางทีเราได้รับความชมอะไรนี่ก็จะเห็นว่ามีความสุข ถ้าจะมีขึ้นนะคะแล้วก็ทํางานเนี่ยมันจะค่อนข้างเครียดแล้วบางทีมันก็เบื่องานมาก่อนช่วงเวลานี้ก็จะใช้วิธีพอเราเครียดปุ๊บเราก็เดินเข้าห้องน้ําเลยอ่ะใช้วิธีของหลวงพ่อค่ะเดินพอเดินเข้าไปพักหนึ่งมันก็จะรู้สึกสบายแบบว่าเราก็รู้สึกสบายเข้าห้องน้ําแล้วสบายนะมันชื่อห้องสุขขาความคือมันรู้สึกมันสงบมากค่ะตอนอยู่ในห้องน้ํามันจะดีมากเลยอ่ะนั่นแหละหลวงพ่อนะเข้าห้องน้ําบ่อยมากเลยค่ะหลวงพ่อหน้าเนี่ยนึกว่าเอ๊ะคนนี้มันเข้าห้องน้ําบ่อยความจริงหนีไปทํากรรมฐาน ค่ะเพื่อนก็คงสังเกตอะค่ะก็เลยไม่เป็นไรแล้วแต่เราแต่เป็นความลับนะอย่าไปบอกเขานะไม่ได้บอกใครเลยค่ะเดี๋ยวมันมาแย่งห้องน้ำเข้าหมดอ่ะต่อไปใช้ได้ละดีแล้วน้ำมาสการครับก็พยายามหัดตามรู้กายรู้ใจอยู่ครับหลวงพ่อแต่ไม่แน่ใจว่าบางทีก็ไปกําหนดตรงลมหายใจอะครัยังบังคับมากไปจิตติดสมถะมากไปนิดนึงมันจะไปเกาะนิ่งๆอยู่ ก็เลยรู้สึกว่าบางทีไม่เห็นไรมันจะบงบวงปอบว่งเปล่าครับแล้วก็รู้สึกเหมือนเพ่งครับเออเหมือนเพ่งเป็นสมถะไม่รู้จะทํายังไงให้ออกจากการเพ่งครับไม่รู้ว่าทําไงรู้ว่ายังไม่รู้จะออกว่าไงนะไม่ต้องออกนะให้รู้ว่าติดมันอยู่นั่นแหละแล้วใจไม่ชอบมันใจอยากจะออกรู้ว่าอยากออกนะมันเกินไปนิดหนึ่งมันไปติดลมเ้าเรียกติดลมนะเนี่ย นมรส ก, การครับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองฮะดี ข, ขึ้นเยอะแล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วฟังซีดีหลวงพ่อครับแต่ว่าทีนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าเวลาที่ที่รู้สึกตัวเนี่ยเหมือนจะว่าบอกตัวเองอยู่ในหัวครับว่าว่าโกรธแล้วนะหรือว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วนะอะไรเงียง <ừ> ้ยแต่ไม่แน่ใจว่าว่ามันมันรู้ถูกหรือเปล่าะครับไอ้ตรงที่โกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธเนี้ยถูกตรงที่บอกโกรธแล้วนะอันนี้คิดขึ้นมา คือมันเหมือนบอกตัวเองอยู่ในหัวครับแต่ว่าห้ามไม่ได้ใจมันจะพูดห้ามไม่ได้นะมันก็พูดทงพันไปเรื่อยหละอีกหน่อยมันจะลำคาลว่าทำไมมันช่างพูดนะหน้าลำคาญแล้วบางครั้งก็รู้สึกเหมือนกับว่าเพ่งอะครับคือพยายามที่จะปฏิบัตินะครับดีดีดีที่รู้ทันนะไม่ใช่ดีที่เพ่งนะ <laughs> เอเมื่อเจนะสบอ่ะนักการองพ่อครับจะขอถามนิดหนึ่งคัอย่างถ้าเผื่อว่า ตอนจะกลับบ้านเนี่ยตอนเล่พูดดังๆตอนจะกลับบ้านแล้วถ้าเกิดค <even> ือจะขับรถออกไปเนี่ยก็รู้ว่าอาจจะต้องมีคนปาดหน้าหรืออะไรถ้าเกิดเราไปตั้งตั้งแต่ก่อนออกเนี่ยตั้งสติว่าเดี er, ๋ยวเราจะไม่โกรธอย่างเงี้ยปลอมเลยของเก๊มันก็ทื่อๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องปาดหน้าเดี๋ยวต้องเจอไฟแดงต้องทําใจไว้ก่อนอย่างนั้นไม่ได้ให้มันเป็นธรรมชาติการปฏิบัติเนี่ยธรรมดาที่สุดเลยนะ ธรรมะกับคำว่าธรรมดาอันเดียวกันเราฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งเราเห็นว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของจิตใจเป็นยังไงจะรู้ความเป็นธรรมดามัาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นว่าธรรมดามันอย่างนี้แหละมันธรรมดาใจมันก็ไม่ยินดียินร้ายพอใจมันรู้สึกมันเกินธรรมดานะมันจะยินดียินร้ายขึ้นมาพอใจเราไม่ยินดียินร้ายใจมันก็ไม่ดิ้นรนอ้าจิ๋ว ก็รู้ตัวได้ดีกว่าเมื่อสามเดือนที่แล้วอะค่ะอืดีก็ภาวนาเมื่อเมื่อสักช่วงต้นเดือนนะคะเหมือนมันเบาสบายขึ้นเลยรู้สึกว่าเหมือนกลายเป็นว่าไปยึดความเบาสบายเนี่ยมันก็เหายไปยึดความสบายก็ไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็เลยสังเกตตัวเองใหม่ดีแล้วใช้ได้แล้วนะภาวนาเป็นแล้วเอาคุณเอง รู้สึกว่าก็ยังมีฟุ้งซ่านบ้างแต่ก็มีโมหะแทรกบางๆค่ะเลยกดเอาไว้หน่อยค่ะไม่ชอบฟุ้งซ่าน <c oughs> ไม่ชอบโมหะนะเลยกดๆมันคุณสันติกดแล้วนะส่งไปข้างหลังลงนะหลงอย่างนี้หลงอย่าตั้งใจครับอยากจะถามหลวงอา ว, ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้เป็นบ้างหรือยังครับเป็ น, ปนรู้บ่อยๆ <c oughs> น ะ, ะ <c oughs> แม้ถามง่ายๆ เดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะพวกเด็กๆพวกนี้ภาวนาเก่งๆใช้ได้ดีรู้สึกว่าเห็นทุกข์ค่ะแล้วก็เริ่มเห็นว่ากายกับใจนี่บังคับไม่ได้ค่ะเออดีดีเห็นอย่างนี้ดีมากเลยนะออจิตมันก็ไม่ค่อยมีอะไรลดผลเท่าไหร่อะค่ะส่วนมากมันก็ก็ค่อนข้างจะมีความสุขดีค่ะออแต่ว่าตอนนี้มันเกินเกินจริงออไปสักหน่อยะคะ่ะใช่ใช่ตับตัวอย่างนี้ใช้ได้แล้วอะส่งไป เห็นไม่ลวงพ่าไม่ว่าสักคนเลยเห็นไหมจิตฟุ้งซ่านก็นเออดีแล้ววันนี้จิตสงบเอวดีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่นอกฐานก็ดีอีกแล้วเห็นไหมทำไมดีอ่ะเพราะเห็นสภาวะตรงตามที่มันเป็นถ้าเห็นสภาวะตรงที่เขาเป็นเราใช้ได้ทั้งหมดแล้วจอเป็นกุศลอกุศลใช้ได้หมดเลยใจไม่ค่อยตั้งมั่นค่ะเป็นช่วงๆ บ, บางช่วงก็เผลอบ่อยแต่บางช่วงเผลอนานเออแ ห, ห ม, แมอย่างนี้ถูกใจดีมาก แล้วเมื่อกี้ที่มีคนพูดคนนึงพูดว่าจิตไม่อยู่ในฐานเนี่ยไม่เข้าใจคํานี้ค่ะให้รู้ว่าไม่เข้าใจนะขอบคุณคือเมื่อกี้ที่หลวงพ่อทักบอกว่าคุณดังตินมานะคะก็ก็นึกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อต้องบอกว่าเผลอไปไปดูอีกไล่ใช่ไหมก็พยายามเนอะเราก็เผลอไปดูตามตามใจว่าเรารู้ว่าเผลอไปดู แล้วห้งลงท้ายเผลอไม่เผลอล่ะคือ<ะ>คิดดักหลวงพ่อไว้ก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อตั้งทาง้าย <laughs> นั่นแหละนั่นแหละมันเผลอเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันเผลอไปเรียบร้อยแล้วอา้าวหลวงพ่อก็ต้องมีมุกแปลกๆบ้างไม่ให้ซ้ำไม่ให้จับทางได้แหมดีมากเลยแถวนี้ส่งต่อปุ๊บปุ๊บุกใจอา้าวมิ้งห้ามส่งต่อส่งกันบ้านอตอนนี้มีเครียดนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็ <laughs> ที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามีบางวันที่รู้สึกดีตอบ่อยขึ้นแล้วก็พยายามสวดมนต์บ่อยๆก็รู้สึกว่าทําให้เจริญสติดีขึ้นดีนะนะสวดมนต์ไหว้พระไปทําสมาธิเดินจงกรมนะไม่ละเลยถนัดสวดมนต์ก็สวดไปถนัดทําสมาธิทําแล้วมีสติก็ทําไปถ้านั่งสมาธิแล้วเคลิมๆก็อย่าไปนั่งมันนั่งรู้สึกตัวไปนั่งแล้วเคลิ้มก็ไปเดินเอา แต่บางคนเดินหลับก็มีนะคนมันเดินหลวงพ่อตอนบวชอยู่วัดชนประธานตอนเป็นนักศึกษาเพื่อนที่บวดด้วยกันนะเดินจงกลมแล้วทะลุมุงร่วดออกไปเราก็นั่งๆอ้ยุงเข้ามาเต็มศาลาเลย <c oughs> โน่นปาฏิหาริย์ไปอยู่กลางสนามอ้าวไปไหนละอส่งกันบ้านาก็ทำงานเยอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่า สติมันหายไปเลยสองเดือนอือหายไปนานหน่อยนะสองเดือนคือแบบทาคือรู้ว่าเครียดรู้ว่าคือรู้ว่ามันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่สามารถที่จะรู้ตัวได้ถ้ารู้ว่าเครียดก็ใช้ได้แล้วรู้ว่ากำลังวุ่นวายอยู่ใช้ได้แล้วอยากให้หายเครียดอยากให้หายวุ่นวายแล้วไม่รู้ว่าอยากใช้ไม่ได้อยากให้หายเครียดอยากให้หายวุ่นวายรู้ว่าอยากอยู่ใช้ได้ งั้นมันก็มีจุดที่ใช้ได้จุดที่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้เลยแปลว่าที่เราฝึกมานี่มันยังอ่อน<จ>ไป ใ, <จ>ใช่ไหมใจมันไม่ตั้งมั่นตัวนี้สมาธิมันอ่อนไปแต่หลวงพ่อก็เคยบอกว่ามาทางดูจิตแล้วก็ไม่ได้ไปฝึกสมาธาให้ใจตั้งมั่นใช่ไหมคะแต่ฝึกเอาไว้พักผ่อนบ้างเราเหนื่อยเกินไปละเหนื่อยไปแล้วก็ไปไหว้พระนะพุโทโธพุโทโธไปคิดถึงพระไปเรื่อยๆให้ใจสบายอย่างเี้ ช่วงแรกๆแบบก็คิดถึงหลวงพ่อบ้างเลยค่ะยังยังเอาซีดีไปฟังอยู่แต่หลังๆคือแบบแม้กระทั่งหลวงพ่อก็ไม่อยากจะคิดแล้วคือรู้สึกแบบมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยจนกระทั้งมันอยากหนีโลกมันไม่อยากรับรู้อะไรละไม่อยากรับรู้อะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจเราไปงั้นเลยส่งไปข้างหลังได้อีกสองสามคนก่อนที่มาหลวงพ่อบอกว่าติดเพ่งก็ให้เลิกกําหนด ก็ตอนนี้ก็ยังมีกำหนดบ้างอีกนิดหน่อยค่ะรู้สึกไหมยังเพ่งนิดหน่อยยังรู้สึกค่ะเออใช้ได้บางคนหลวงพ่อบอกว่าเพ่งนะเถียงนะบอกไม่ได้เพ่งเลยดิฉันไม่ได้เพ่งดีที่เห็นค่ะก็ตอนนี้ก็จะสวดมนต์อย่างเดียวค่ะแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆนะดีแล้วนะส่งไปหลานดังตรินตัวนี้ชื่อแปลกช่วงนี้จะรู้บ่อยครับหลวงพ่อแต่ว่า บางทีเวลามีกิเลสเวลามีความคิดอะไรมากระทบ่รงๆนี่มันเหมือนกับไม่มีกำลังรู้กำลังสู้นะครับก็ต้องหัดตั้งแต่ยังไม่แรงหัดดูของเราไปเรื่อยๆหัดทั้งวันนะก่อนนอนอย่าลืมปฏิบัติไหว้พระสวดนมนต์ทสมาธิเดินจงกรมดูจิตดูใจไปดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูกายไม่ได้ก็ทาความสงบพอจิตใจสงบจิตใจมีความสุขกลับมาดูจิตอีกวนเวียนไปอย่างนี้น รู้กายรู้ใจทําสมถะรู้กายรู้ใจทําสมถะไปเรื่อยเวียนไปตอนไหนมีกําลังก็รู้จิตใจไปรู้จิตไม่ได้ก็รู้กายรู้กายก็ไม่ไหวก็ทําสมถะสมถะง่ายนะอะไรก็ได้เยอะแย ะ, ยะไปหาอารมณ์ที่เป็นกุศลมาสักอันหนึ่งนะแล้วละระลึกอยู่ในอารมณ์นั้นบ่อยๆนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงอะไร หลานดังตรีนนนึกถึงดังตรีนออขาราวาตหรือพระก็เป็นพระได้น ะ, ะส่งตอบไ ป, ปก็ยังออรู้บ้างฟุ้งบ้างค่ะตอนนี้แต่ไม่เป็นทุกข์กับมันเท่าไรหร่คะค่ะจิตใจยังไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะแรงน้อยไปหน่อยดูออกไหม รู้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าใจไม่ตั้งมั่นมไม่มีสมาธิเท่าไหร่ค่ะนะเพิ่มสมรรษานิดนึงแทย์มีคนนึ่งอันนี้มันบางครั้งก็ฟุ้งบางครั้งก็หนักอะค่ะแล้วก็ติดเพ่งเยอะไปหน่อยค่ะไม่พูดมา<ป>บางครั้งก็ฟุ้งบางครั้งก็หนักบางครั้งก็ฟุ้งก็คอือหลงไปนะ <Okay. S 2> บางครั้งก็หนักคือกลัวมันฟุ้งเลยเพ่งเอาไว้น้ำสุดตกสองฝั่ง นั่นตรงที่ฟุงรู้วฟุงใช้ได้ตรงที่เพ่งรั้วเพ่งใช้ได้เพ่งแล้วอยากให้หายเพ่งรู้ว่าอยากนะใช้ได้เราต้องทําสมาธิไม่คะหลวงพ่อสมาธิตอนนี้เกินไปแล้วเกินเหรอคะเพราะบางครั้งก็ไม่ได้สวดมนต์ใจทื่อๆอยู่ข้างในรู้สึกไหมใจติดความทื่ออยู่ข้างในแล้วต้องปล่อยออกอาวันนี้โยมได้แค่นี้นะที่เหลือเอาซีดีไปฟังเอาใครอยากส่งกันบ้านวันหลังต้องมาให้ไวๆแล้วแย่งที่ข้างหน้านะ หวงพ่อไม่รู้จะช่วยพวกเราอย่างไรนะพวกเราเยอะเกินช่วยตัวเองมาเช้าๆแย่งที่นั่งข้างหน้าส่วนมากพวกมาเช้าชอบแย่งข้างหลัง